บทที่ 8 จิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นอย่างไรมั่นจิตตั้งมั่นเป็นกลางเป็นอย่างไรกลางเป็นอย่างไรสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็น ค่าก็จะประกอบด้วย 1 รูป 2 นามซึ่งนามเท่ากับเจตสิกกับจิตถ้าจิตไม่เช่นอิริยาบถของ เช่นกิเลสต่างๆแต่เมื่อใดจิตหลงตามรูปหรือหลงตามเจตสิกจิตเช่นเห็น โดยจิตไม่เคลื่อนหลงไปตามความโกรธหรือเห็นการเคลื่อนไหวของกาย จะเช่นพอจิตรู้ไม่ทันความโกรธจิตรู้ไม่ทันจิตจะเคลื่อน ท่านอาจารย์แนบท่านชอบพูดประโยคหนึ่งที่เห็นภาพชัดดีมาก คือจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางวิธีการมาตรฐานๆ เมื่อทําไปช่วงหนึ่งจึงค่อยสังเกตว่ารูปนามเป็น โดยไม่โดดเข้าไปแสดงนครซะเองแต่เมื่อใดจิต แล้วแต่จะเรียกอันนั้นดีมากเลยครับจะเรียกอัน 20 กรกฎาคม 2542